ลูกชายจึงว่าหากแม่จะไปนําหญิงมาให้ได้จริงๆแล้วก็จงไปสู่สกุลที่ลูกชอบเขาได้บอกชื่อสกุลให้มารดามารดาของเขาไปสู่ขอหญิงสกุลนั้นมาให้บุตรชายแล้วแต่หญิงนั้นเป็นหมันหญิงผู้มารดาจึงพูดกับบุตรว่าอันตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมขาดศูนย์เพราะฉะนั้นแม่จะไปนําหญิงอีกคนหนึ่งมาให้เป็นพญายาของเจ้าผู้ชายกล่าวว่าอันการจะไปนําหญิงอื่นมาอีกคนหนึ่งนั้นไม่จําเป็น แต่มารดาก็ยังพูดอยู่บ่อยๆหญิงสะพยได้ยินบ่อยๆจึงคิดว่าธรรมดาบุตรย่อมฝืนมารดาไปได้ไม่นานอีกสักหน่อยก็คงยอมให้นำสตรีอื่นมาหากเธอมีลกูกตัวเราก็จะลดฐานะลงมาเป็นหญิงรับใช้อยากระนั้นเลยเราควรจะจัดการหาหญิงนั่นเสียเองเพื่อจะได้อยู่ใต้อํานาจของเรานางคิดดังนี้แล้วจึงไปนาหญิงอันคุ้นเคยกับเธอจากตระกูลหนึ่งมา ที่แรกๆ ก, ก็ดีแต่พอนานเข้าจิดฤทธิ์กิดฤิย์ยาบ้างความกลัวว่าตนจะตกต่ําหากพัญญาน้อยมีลูกบ้างนางจึงคิดทําลายคันของพัญญาน้อยนางได้สั่งไว้ว่าเมื่อใดมีคันขอให้บอกนางแต่ น, นเนิน่นพัญญาน้อยผ่าซื่อคิดว่าเขาหวังดีกับตัวพอตั้งครันก็บอกนางเมียหลวงจึงประกอบยาใส่ลงไปในอาหารโดยทำ น, นองนี้คันของพัญญาน้อยจึงตกไปคือแท้งถึงสองครั้ง พอครั้งที่สามพัญญาน้อยไปปรึกษากับเพื่อนพวกเพื่อนๆพูดเป็นทนองให้ฉเฉลียวใจถึงพัญญาหลวงนางจึงระวังตัวคราวนี้ไม่ยอมบอกพยายามถนอมจนขันแก่นางมีหลวงไม่ได้ช่องที่จะผสมยาลงไปในอาหารได้เพราะเขาระวังตัวอยู่จนกระทั่งคันแก่นางจึงได้โอกาสแต่ขันไม่ตกเพราะแก่เสียแล้วแต่กลับนอนกวางพัญญาน้อยได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสจนสิ้นชีวิตอ่อนสิ้นชีพ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 และนางยักษินีก็ติดเข้าเวรส่งน้ำให้ท้าเวสุวรรณเสียหลายเดือนพอะออกเวรก็รีบมายัางบ้านของจญิงนั้นทราบว่าเธอไปคลอดลูกที่บ้านเดิมคือบ้านพ่อแม่ของนางยักษินีอันกำลังแห่งเวรให้อุตสาหะแล้วรีบวิ่งไปยังบ้านนั้นเวลานั้นหญิงคู่เวรคลอดลูกแล้วกำลังกลับมาพร้อมด้วยสามีมาถึงสระแห่งหนึ่งหน้าวัดเชตทวันสามีลงอาบน้ำในสระนางยืนอุ้มลูกให้ดื่มนมคอยอยู่ เหลียวมาเห็นนางยักษ์กำลังวิ่งมาอย่างเร็วจึงร้องตะโกนสามีให้ขึ้นมาช่วยเมื่อเห็นว่าสามีจะขึ้นมาไม่ทันนางยักษ์วิ่งมากระชันชิกแล้วนางจึงอุ้มลูกวิ่งหนีเข้าวัดเชตวันเวลานั้นพระาศาสดากำลังประทับแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัทในธรรมสภาเธอนำลูกไปวางไว้ใกล้บาทแห่งพระผู้มีพระภาคและล่ำและลักทูลว่าขอได้โปรดเป็นที่พึ่งของเด็กคนนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข่าวนางยักษ์ วิ่งไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดพอถึงประตูวัดเชตวันสุมนเทพผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตูไม่ยอมให้เขา้าพระศาสดาทรงทราบเหตุการณ์ทั้งปวงโดยตลอดรับสั่งให้พระอานนท์ไปนํานางยักษ์เข้ามาเมื่อหญิงนั้นเห็นนางยักษ์เข้ามาก็ตกใจกลัวร้องขอให้พระศาสดาช่วยพระศาสดาตัดตอบว่าอย่ากลัวเลยนะที่นี้นางยักษ์จะทําอันตรายไม่ได้ดังนี้ตรัสกับนางยักษ์ว่า ดูก่อนยักษิณีและกุลธิดาเพราะเหตุไรเจ้าทั้งสองจึงจองเวรกันเช่นนี้ถ้าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเช่นเราเวรของเจ้าทั้งสองก็จะดำรงอยู่ชั่วกับเหมือนเวรของงูกับพังผอนหมีกับไม้เสื้เคราะห์และของกากับนกเขาเวรย่อมไม่ระงรับด้วยการจองเวรแต่การแต่ย่อมระงรับด้วยการไม่จองเวร น, นี่เป็นธรรมเก่าพระศาสนาทรงยังพระธรรมเทศนาให้พิสดารโดยอเนก ป, ปริยาย ในการจบเทศนานางยักษ์ได้พระโลหโสดาภติพนเป็นโสดาบันเป็นผู้มีศีลห้าสมบูรณ์พระศาสดารับสั่งให้หญิงนั้นส่งลูกให้ยักษิศีกุลธิดากราบทูลว่าเธอกลัวพระศาสดาตรัสว่าอย่ากลัวเลยอันตรายจากจากยักษ์ศีไม่มีแล้วนางจึงส่งลูกให้นางยักษ์รับเด็กมากอดจูบและส่งคืนให้มาตาแล้วร้องไห้พระศาสดาตรัสถามว่าร้องไห้ทําไม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 ปีนี้ฝนจะตกมากให้ทำนาบนที่ดอนปีนี้ฝนจะตกน้อยให้ทำนาในที่ลุ่มกุลธิดาได้ทำตามคำแนะนำของยักษินีได้ข้าวดีทุกปีคนชาวบ้านทั้งหลายรูข้ข่าวเข้ากระโจนกันมาถามบ้างยักษินีก็บอกให้คนทั้งหลายได้นำข้าวน้ำและผลไม้มาให้ยักษินีเป็นการตอบแทนทั้งสองฝ่ายต่างมีอุปการะซึ่งกันและกันด้วยประการลัทธิเวณย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวณ แต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรดังพนานามาชนี